บูห้าสิบแปอวัยวะชั้สกีเทลผมวาดรูปผู้ชาย ю ю เริ่มจากศีรษะก่อน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 я малюю วุ้งรุผู้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะมอชชีนาเต้นซุยอิสเมผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวอมอชชีนดูฮินเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาย เขามีผ้า พ, พันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยอุยฮุปาแวซเนชาลิกวากูลชีมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นแชเปีย зима и холодно แขนแข็งแรงรูคิมอตสเนียขาก็แข็งแรงด้วยโนยิตักซามอตสเนีย ผู้ชายคนนี้ทํามาจากหิมะมุชชินาซาสเนกูเขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุมยอนเนโนซีตชตานูอีปอลีตูแต่เขาก็ไม่หนาวสัน่นอาลีมุชชินาเนซามยาร์ซเขาคือตุ๊กตาหิมะยอนสเนกาวิก